Bye. <laughs> แปรเทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องอัตตาอยู่ที่ไหนจะกําจัดได้อย่างไรในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดเชตวันมหาวิหารของท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีในเวลาเที่ยงคืนนั้นได้มีเทวดามาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าสามข้อว่าหนึ่ง อิมะทะมะติโลโก 2. อ, อิมะทะปะริกสติ 3. อิมะทะทุกขนุสติ 1. อิมะทะมะติโลโกถามถึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ได้อย่างมั่นคงทาวรไม่สามารถหลุดรอดออกจากโลกนี้ไปได้นั้นเป็นเพราะทำข้อใด 2. อ, อิมะทะปะริกสติ ถามถึงว่าหมูสัตว์ทั้งหลายที่ถูกรัดหรือจมปรับอยู่ในวงเวียนแห่งการตายเกิดนั้นเป็นเพราะทำรรข้อใด 3. อิมท ะ, ะทุขนุสติถามถึงว่าหมูสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมวล น, นั้นถูกความทุกข์ติดตามอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะทำรรข้อใดเทวดาที่มัดทูลถามพระพุทธองค์ในค่ำคืนนั้น จะเป็นท่านผู้ใดไม่ได้นอกจากพระอินนั่นเองเพราะโดยปกติแล้วพระอินจะมาเฝ้าพระพุทธองค์อยู่เป็นประจำทุกๆคืนในเวลาเที่ยงคืนและพุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นผู้ที่จะไปเฝ้าพระพุทธองค์จะมีกาหนดเวลาเช่นเวลาหโมงเย็นถึงสี่ทุ่มจะเป็นเวลาของคนทั่วๆไปเวลาสี่ทุ่ม ถึงเที่ยงคืนจะเป็นเวลาของเทวดาเวลาเลยเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งจะเป็นเวลาของพระอินที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เวลาพ้นเที่ยงคืนไปแล้วถึงตีหเป็นเวลาของพรมต่างๆดูจากเหตุการณ์นี้หรือเวลาเข้าเฝ้านั้นอนุมานได้ว่าเทวดาที่มาทูลถามพระองค์นั้นจะต้องเป็นพระอินอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาข้อที่หนึ่งว่าอตตายะอิมทะมะติโลโก้คือมีอตตาทิฏฐินำหน้าหมู่สัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่สามารถหลุดออกจากโลกนี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาข้อที่สองว่าอตตายะอิมทปริกัสติคือที่หมู่สัตว์โลกทั้งหลายถูกรัด หรือถูกรวบรัดให้จงปรักอยู่ในวงเวียนแห่งการตายเกิดนั้นคืออัตตนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาข้อที่สว่าอัตายะอิมะทะทุกขานุสติคือหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ติดตามอยู่นั้นก็มีอัตตนั่นแหละที่เป็นเหตุถ้าหากว่าสัตว์โลกมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลาย ต้องการหลุดพ้นจากโลกแห่งการตายเกิดนี้จะต้องตัดอัตตาออกให้ได้แล้วจะทําอย่างไรหรือเราจึงจะทําลายอัตตาออกไปจากจิตใจได้ก็จะต้องได้ใช้วิธีการหาเห็นนั่นเองหาจะต้องหาให้เห็นตัวอนัตตาเมื่อเราหาให้เห็นอนัตตาอัตตานั้นก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าจะแก้ตัวอัตตาที่รัดผูก รัดตัวเราอยู่ในวัตฏะสงสารนั้นก็ต้องหาเห็นอนัตตนั่นแหละมาแทนที่ให้ได้คือเอาอนัตตาที่อยู่ในขันบ่อยๆปฏิบัติอนัตตาอยู่ตลอดเวลาอาตาก็อยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าประสงค์ที่จะนำเอาความทุกข์ที่ติดตามเราอยู่ทุกวันนี้ออกไปให้ได้จะต้องนำอนัตตามาแทนที่อาตาก็จะหลุดพ้นออกไปได้ เมื่ออนัตตามาแทนที่แล้วอัตตาก็จะออกไปคือเอาอนัตตาเข้าไปอยู่ในขันแล้วพิจารณาอนัตตาอยู่บ่อยๆ อ, อัตตาก็อยู่ไม่ได้ปัญหาทั้งสามข้อของพระอินมาทูลถามพระองค์นั้นเมื่อพระอินได้ฟังคำตอบแล้วมีความปิติยินดีแล้วก็กลับไปตัวอัตตาที่เป็นตัวก่อร่างสร้างขันทำให้มีขันเกิดขึ้นมานั้น แล้วตัวอัตตาจะอยู่ที่ไหนอัตตานี้จะอยู่ที่สังขารขันจากการปรุงแต่งนั่นเองและก็ก่อให้เกิดขันต่างๆตามม า, า, า, า, าในสังขารขันนั้นมีจิต e. ผู้เป็นอกุศลสิบสองดวงเรียกว่าอปุญญาพิสังขารที่ก่อให้เกิดความชั่วต่างๆขึ้นมาต่อมาก็มีวงจรกุศลหรือเรียกว่าปุญญาพิสังขาร ซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาทำให้วนเวียนบกวนอยู่ในบุงจรกุศลสี่สดวงซึ่งเป็นการปฏิบัติของสมถะทั้ง36อสุภะสิบกุศลสิเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดการตายเกิดในรูปภพต่อมาประกอบด้วยอรูปกุศลคือการพิจารณาในเรื่องของกสิณเป็นอารมณ์ต่างๆ ทำให้ไปตายเกิดอยู่ในรูปพรพรมสิ่งที่กล่าวมานี้นี่แหละเรียกว่าสังขารซึ่งประกอบด้วยปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนินชาพิสังขารเมื่อมีสังขารทั้งสามประการนี้จึงก่อให้เกิดการได้ขันห้าขึ้นมาสิ่งที่ก่อร่างสร้างขันขึ้นมานั้นเรียกว่าการเกิดสังขารขันสังขารก็มีอยู่ในขันนั่นเอง การที่สังขารขันสร้างขันขึ้นมานั้นเปรียบเสมือนกับช่างที่สร้างบ้านเขาก็สร้างบ้านในบ้านเหมือนกับชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็ทำงานอยู่ในไร่ในานาในสวนเมื่อสังขารสร้างขันขึ้นมาก็อยู่ในขันนั่นเองอัตตาทิฏฐิโลภะมานะนี้เรียกว่าสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะคือ ตัวสังขารหรือตัวก่อให้เกิดสังขารขึ้นมาในสังขานี้เป็นเรื่องของเจตสิกทั้ง52ดวงในเจตสิกทั้ง52ดวงนั้นมีโลภะมานะทิฏฐิรวมอยู่ด้วยโลภะมานะทิฏฐินี้เป็นสังขารลขันธ์การมีสังขารลขันธ์ขึ้นมานี้ก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อสังขารก่อสร้างตัวขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณ น, นี้เป็นผลและได้เกิดปฏิสนธิจิต19ดวงเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นหรือมีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น19ดวงก็ก่อให้เกิดโสตะวิญญาณจักษุวิญญาณเกิดขึ้นตามมาเรียกว่าอากุศลวิบากอากุศลวิบากนั้นเป็นอย่างไรเมื่ออากุศลวิบากเกิดขึ้นมานั้นก็มีตาทวารคืออายตนะทั้งหก ได้แก่ตาเราไปพบเห็นรูปเห็นสิ่งไม่ดีไม่ชอบไม่น่ารักก็เรียกว่าอากุศลวิบากเกิดขึ้นที่ทางตาหรือหูเมื่อได้ยินสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าชื่นชมไม่ชอบต่างๆเรียกว่าอากุศลวิบากเกิดขึ้นทางหูส่วนทางจมูกนั้นเมื่อได้กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเรียกว่าอากุศลวิบาก เกิดขึ้นทางจมูกทางลิ้นเมื่อพบสิ่งไม่อร่อยไม่ถูกใจเช่นฝาดขมเผ็ดเรียกว่าอากุสลวิปากเกิดขึ้นทางลิ้นทางกายเมื่อไปพบเจอตัวลิ้นยุงกัดเรียกว่าอากุศลวิปากทางกายและทางใจเมื่อได้พบสิ่งไม่ดีไม่พอใจเรียกว่าเกิดอกุศลวิปากขึ้นมาทางจิต การรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นสิ่งที่รับรู้เรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุอยู่ที่ไหนก็อยู่กับการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อมามโนวิญญาณธาตุเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีหรือเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณพุทโธวิญญาณมีทั้งหมด สิดวงเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณเกิดขึ้นหลังจากปฏิสนธิได้49วันหลังจากนั้นความชราจะเกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปในที่สุดชาวโลกนั้นกล่าวถึงช่วงต่างๆในชีวิตช่วงความเป็นหนุ่มสาวและก็ช่วงต่างๆขึ้นมา ในทางธรรมนั้นนับตั้งแต่มีวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความชราเท่านั้นอย่างเช่นเด็กทารกที่อยู่ในท้องมารดาตายไปนั้นเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีความชราเกิดขึ้นมานั่นเองมีชราแล้วก็มีพยาธิติด ต, ตามมาด้วยดังนั้นเขาจึงตายพยาธินั่นแหละทําให้เกิดความตายขึ้นมา ผู้ที่มีพยาธิแล้วเป็นเหตุแห่งความตายขึ้นมาจัดเป็นประเภทที่อยู่ในก้อนเลือดหรือในคันในไข่หรือเกิดในน้ำคร่าในส่วนของสัตว์ที่เป็นโอปาติกะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่มีความชรามีตชาติกับมรณะคือมีแต่การเกิดและการตายเท่านั้นอย่างเช่นในสวรรค์และในพรหมโลกเช่น ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงนั้นเทวดาที่เกิดขึ้นในวันนี้กับเทวดาที่มีอายุ100ร้ยปีก็จะมีลักษณะเหมือนกันคือไม่มีวันแก่เทวดาชั้นจตุมหาราชิกานั้นมีอายุ500ปีเทวดาหรืออายุเท่ากับ9ล้านปีของเมืองมนุษย์ในเมืองเทวดาชั้นนี้จะไม่ตาย เมื่ออายุหมดลงตัวเขานั้นจะมีความเหนื่อยอ่อนและจะเล็ ก, กลงเล็ ก, กลงเท่ากับแมลงพึ่งแล้วก็หายไปในเมืองเทวดานี้จะไม่มีปราช้าไม่มีการทิ้งซากศพเหมือนเมืองมนุษย์ในปฏิจจสมุประบาทนั้นไม่มีคำว่าชรามีแค่ส2บสองดวงเท่านั้นจึงมีแต่ชาติกับมรณะทำไมพระองค์ทรงสแสดงไว้อย่างนั้น ก็พระองค์ทรงเอาประชาธิปไตยคือเอาส่วนใหญ่ที่มีทั้งเทวดามนุษย์เป็นส่วนใหญ่จึงทรงตรัสไว้อย่างนั้นในเมืองสวรรค์และภูมโลกนั้นไม่มีหมอที่จะต้องทําการรักษาโรคไม่มีร้านขายยาไม่มีโรงพยาบาลเหมือนเมืองมนุษย์แล้วทํำไมถึงไม่มีก็เพราะเขาไม่มีชารานั่นเองทำที่กล่าวมานี้ชารามาจากไหน ก็มาพร้อมกับวิญญาณขันธ์การมีวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นมานั้นใครเป็นผู้สร้างหรือใครเป็นผู้มอบให้ผู้ที่มอบให้คือสังขารขันธ์ในส่วนรูปรขันธ์นั้นมี28อย่างใน28อย่างก็มีธาตุสี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟรูปที่อยู่ในสังขารเป็นอะไรเป็นทุกข์สัจจะ ทุกขษสัจจะเป็นเวทนาในเวทนาสามอย่างนี้เป็นทุกข์รูปเกิดขึ้นมานั้นเป็นกองเห็นความทุกข์เมื่อรูปแสดงอาการเห็นความทุกข์คือเมื่อร้อนและหนาวเกิดขึ้นตนเองก็ไปรู้ว่าเป็นความทุกข์มีวิญญาณขันเท่านั้นที่ทำหน้าที่รู้เมื่อร้อนและหนาวเกิดขึ้นมาแล้วว่าดีหรือไม่ดี เรียกว่าความทุกเกิดขึ้นมาความทุกที่เกิดขึ้นมานี้มีอยู่ในวิญญาณขันทั้งหมดคำว่าสัญญาณขันนั้นมีลักษณะคือความจําเพียงอย่างเดียวจําได้ว่าเป็นเสียงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงนกหรือเสียงกาคือมีหน้าที่จําเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือถ้าเป็นเรื่องของรูปร่างลักษณะ ก็จำได้ว่าเป็นรูปร่างเท่านั้นไม่รู้ว่าเป็นรูปนกหมูหมาหรือแมวและเมื่อทุกเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกเวทนาขันมีลักษณะเป็นการเสวยอารมณ์ประการเดียวจากสุสัมผัสกับรูปก็เกิดอารมณ์เวทนาขึ้นมาความรู้สึกเป็นเวทนาแต่ผู้ที่รู้ว่าเป็นทุกเป็นสุขนั้นคือวิญญาณเป็นผู้รับรู้ ความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่สังขารกับวิญญาณ น, นั่นเองเรียกว่าเจตสิกสองดวงและทุกขสุขเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณกับเวทนาทำงานพร้อมกันนั่นเองเมื่อวิญญาณกับเวทนาทำงานพร้อมกันก็เกิดความรักสวยขึ้นมาคืออารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เมื่อเวทนาและวิญญาณซึ่งเป็นธรรมทั้งสองนี้ เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นสุขเป็นทุกข์อัตตก็มาแทรกอยู่ในวิญญาณและเวทนานี้เมื่อเกิดความรับรู้ขึ้นมาอัตตาก็จะมาแทรกขึ้นอยู่ว่ากูรับรู้ของกูมีกูหรือเห็นรูปก็มาแทรกว่ากูเห็นเมื่อเราปฏิบัติก็เอาที่วิญญาณและเวทนามาพิจารณาว่าเป็นอนัตตา ให้ตัวกูนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เอาอนัตตาแทรกไปมากๆจนอันตาอยู่ไม่ได้หนีไปหรือพิจารณาอนัตตาให้มากๆจนอันตาอยู่ไม่ได้ตัวอัตาอยู่ในสังขารขันซึ่งอาศัยวิญญาณกับเบทนาเกิดขึ้นมาวิญญาณกับเบทนาจะเกิดขึ้นมาในวิธีเดียวกันอันตาก็เกิดขึ้นมาแทรกดังนั้น จงใช้อนาตตาเข้ามาแทรกก่อนก่อนที่อัตาจะเข้ามาแทรกหากเราเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเอาอัตาทิ้งแล้วแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ต่อสู้เป็นแล้วเมื่อเราต่อสู้เป็นแล้วเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากภูมิหรือโลกที่เรียกว่าแหล่งแห่งการตายเกิดนี้ได้คำว่าโลกนี้มีสามประการแต่แยกออกมาได้สองประเด็น คือที่แสดงในพระสูตรและในอภิธรรมในพระสูตรนั้นแบ่งโลกออกเป็นกามสุขคติรูปประพรมและอรูปประพรมส่วนที่แสดงในอภิธรรมคือสัตว์โลกและสังขารโลกที่เรียกว่าโลกทั้งสามได้แก่กามโลกะรูปโกะและอรูปโกะเป็นลักษณะของบัญญัต กามโลกะคือเทวดากับมนุษย์และสัตว์ต่างๆทั้งหลายรูปโลกะคือรูปของพรมที่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่เจ็ดภูมิและอรูปโลกะคืออบายพรมิ4ซึ่งมีสัตว์ต่างๆทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือบัญญัติการที่จะปฏิบัติให้ได้ผล น, นั้นจะต้องอาศัยปรมัตา์เช่นสังขารโลก สังขารคือการปรุงแต่งก่อสร้างโลกะคือให้ได้มาซึ่งการตายเกิดวิธีปฏิบัตินั้นเมื่อสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอกุศลในเรื่องการทําบาปต่างๆก็ตามหรือว่าจะเป็นในกามาวาจะระกุศลแปดดวงที่เป็นเหตุแห่งการไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์บรรดากุศลและอกุศลชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ เราก็พิจารณาให้เป็นอนัตตากันทั้งหมดทั้งสิ้นการพิจารณาวางสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลต่างๆหรืออัตตาที่กล่าวมานี้เรียกว่าเป็นการพิจารณาวางเหตุแห่งการตายเกิดเช่นนางวิสาขาสร้างบุพารามมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ใช้เงิน1 8 0ล้านและเฉลิมฉลองอีก8 0ดบ้าน รวมเป็น260ล้านนางวิสาขาก็ไม่ได้อาวุณกุศลที่เกิดจากการถวายนี้แล้วอีกตัวอย่างก็คือท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐีนั้นได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ใช้เงิน450ล้านแล้วก็สร้างอีก300ล้านรวมเป็น750ล้านก็ไม่ทำให้อัตราเกิดขึ้นมาได้ คือวางละอาตายอยู่เรื่อยๆสำหรับอาราะดาบทและอุทกะดาบทนั้นเป็นผู้สร้างกุศลขึ้นมาแต่อาตายังไม่ตายไม่ละวางอาตาหรือไม่สามารถฆ่าอตาได้จึงเป็นเหตุให้ไปเกิดในอรูปมพเวหะปราภูมิเมื่อหมดสิ้นอนุภาพแห่งกุศลนั้นแล้วก็จะมีโอกาสมาเกิดเป็นเทวดามนุษย์ หรือสัตย์ราชาญได้อีกสำหรับท่านอนาถปินทกะเศรษฐีและนางวิสาขาซึ่งสร้างวิหารถวายพระพุทธองค์ต้องใช้เงินทองมากมายแต่อัตตาไม่เกิดขึ้นกับท่านได้เป็นเพราะท่านพิจารณาว่าวิหารไม่ใช่ของเราและพิจารณาให้เป็นอนัตตาทุกครั้งซึ่งท่านทั้งสองไปตายเกิดในสวรรค์เจ็ชาติแลวตายอีกหกครั้ง ครั้งที่เจ็ดไม่ได้ตายแต่ไปเป็นอริยะตัวอตานั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับวิญญาณและเวทนาทํางานร่วมกันเมื่ออตาเกิดขึ้นมาในขณะที่วิญญาณกับเวทนาทำงานก็ก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาดังที่หมู่สัตว์นั้นมักมีความทุกข์ติดตามไม่ขาดสายการที่จะทำให้อตาเกิดขึ้นไม่ได้นั้นก็ต้องพิจารณาละวาง หากว่าเราใช้สมาธิสติสมาสังกปะพิจารณาที่วิญญาณกับเวทนานี้เรียกว่าขันทวิมุตติคันทวิมุตติคืออะไรก็คืออนัตตาสุญญาตาถ้าอัตตาไม่มีก็คือสุญญาตาคือเป็นความสุขขึ้นมาฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงทําความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องสมเรื่อง 1. เราทั้งหลายถูกอัตตารูปรัต สอัตตามอบความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลา 3. อัตตานั้นทําให้มีการตายเกิดอยู่เรื่อยๆคือการเวียนว่าตายเกิดที่พระอินทร์มาถามคําถามอย่างนี้ได้แสดงว่าพระอินทร์เป็นพระอริยะเช่นพระโสดาบันท่านจึงถามคําถามที่ลึกซึ้งอย่างนี้ได้คําพูดหรือคําของพระอริยะนั้นเป็นเรื่องปรมัาทุลวน ที่พระอินทมาถามคำถามก็เป็นเรื่องของปรมัติ์ในหมู่ปุถุชนหรือสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็จะพูดคุยวกวนอยู่กับเรื่องอื่นๆจะไม่มีใครถามแม้แต่อายุ 70-80 ปีก็ยังไม่รู้ที่จะถามสิ่งที่เป็นปรมัติ์อย่างนี้ได้เลยเมื่อไม่รู้ที่จะถามก็จะหมดโอกาสที่จะรู้ในเรื่องของปรมัติ์ ในประเทศไทยซึ่งมีคนห0สล้านคนนั้นมีน้อยคนนักหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ที่จะตั้งคำถามเหมือนกับพระอินทร์โยคยีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ตามเราต้องตายอย่างแน่นอนคนเรานั้นต้องตายอย่างแน่แท้ก็อย่าให้ตายอย่างหมูหมากาไก่เลยถ้าจะตายก็ขอให้ได้ตายอย่างพระอริยเจ้าให้ได้